มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่6ภิกษุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อสืบพันธุ์เพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความสนุกน้ําอสิจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความหายโรคเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความสุขเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นยา เพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นทานเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นบุญพิสูจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อบูชายันน้ำอสิจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษ